ในวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเช้าและขออนุญาตมารดาบิดาแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาอารยาพอเห็นข้าพเจ้าเท่านั้นอารยาก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเธอตรงเข้ามาหมอบลงแทบเท้าของข้าพเจ้าและคร่ำครวญรำพันน า, นานาประการทีแรกข้าพเจ้าก็ไม่สู้ประหลาดใจนะักเพราะเคยทราบว่าธรรมดาของสตรีดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ทราบว่าการร้องไห้ของอรารยาครั้งนี้เกิดมาจากความเสียใจพระดาข่าวการถูกจับในสงครามของข้าพเจ้าและทหารที่ถูกจับเป็นเชลยถูกฆ่าตายหมดนั่นเองทำให้ทุกคนปรงใจเชื่อว่าข้าพเจ้าตายแล้วมีชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าทราบว่าพอใจอรรยามาเป็นเวลานานแล้ว รีบฉวยโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับอาริยาและมารดาของเธอก็ไม่ลังเกียจแม้อาริยาจะไม่สู้เต็มใจนักแต่ทนความรบกเลาของมารดาบิดาและชายหนุ่มผู้นั้นไม่ไหวและอีกประการหนึ่งด้วยความเชื่อว่าข้าพเจ้าตายแล้วและตายแน่ๆเพราะทางกองทัพได้ทรงข่าวมาทางบ้านเองอาริยาจึงยอมรับมั่นของชายหนุ่มผู้นั้น ด้วยดวงใจที่ยังระลึกถึงข้าพเจ้าอยู่แม้ข้าพเจ้าและเธอจะรักกันมาก่อนแต่เราก็ยังไม่ได้มั่นกันเลยพราดรตอนหนึ่งอรยาพูดว่าข้าพเจ้าจะทําทุกอย่างตามความปรารถนาของท่านขอท่านโปรดบอกมาเถิดว่าจะให้ข้าพเจ้าทําอะไรข้าพเจ้าผิดไปแล้วขอท่านได้โปรดกรุณายกโทษให้ข้าพเจ้าและมารดาบิดาของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าจะยอมทําทุกอย่างแม้หนีการแต่งงานหนีมารดาบิดาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีท่านอริยาฉันเห็นใจเธอและทั้งหมดนี้มิใช่เป็นความผิดของเธอเลยและไม่ใช่ความผิดของใครอื่นแต่เป็นความผิดของฉันคนเดียวที่ไปให้ถูกจับในสงครามฉันมาช้าไปเพียงสองเดือนเท่านั้นอาริยา ขอให้เธอเดินไปตามทางที่มารดาบิดาขีดไว้เถิดฉันรักเธอและรักอย่างจับใจฉันไม่เคยเห็นหญิงที่ไหนดีงามอย่างเธอเลยแต่ความรักไม่จาเป็นต้องแต่งงาน ก, นกันก็ได้ไม่ใช่หรือขอให้ฉันรักเธออย่างน้องและเธอรักฉันอย่างพี่ชายในขณะนั้นพอดีมารดาบิดาของอรยาได้ออกมาและเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้า ท่านกอแสดงความแปลกใจเป็นอันมากเมื่อข้าพเจ้าทำความเคารพและนั่งลงมารดาของอารยาก็พูดขึ้นว่ากันหักกะเราทราบดีว่าเจ้าทั้งสองรักกันอย่างไรและเราก็เห็นใจเจ้ามากแต่จะทำอย่างไรจะให้เราถอนมั่นจากตระกูลโนนเราก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีเหตุผลพอถ้าเจ้าทั้งสองมั่นกันอยู่ก่อนแล้วเราก็พอจะมีเหตุผลขอถอนมั่น โดยอ้างว่าคู่มั่นเดิมเขากลับมาแต่นี่จะให้เราทำอย่างไรทั้งโนนเขาก็รักอารยาอยู่มากเหมือนกันเขาจะยินยอมอย่างไรกันห ก, กะเราขอแสดงความยินดีที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยและขอแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยต่อจากนั้นทั้งมารดาและบิดาของอารยาก็ช่วยกันพูดปลอบใจข้าพเจ้าและอารยาให้คลายกังวล แต่ก็หาได้ผลเท่าไรไม่อริยายังคงซสื่อื่นอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าจนกระทั่งข้าพเจ้าลากลับสายตาทุกๆคู่มองดูข้าพเจ้าด้วยความสงสารเห็นใจและนับถือในน้ําใจของข้าพเจ้าอยู่พระดอนเอ๋ยข้าพเจ้าเดินกลับด้วยจิตอันร่ำห้อยส้อยเศร้าข้าพเจ้าเป็นชายชาติทหารผู้หญิงหนึ่งซึ่งรักข้าพเจ้าอยู่แล้ว ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาจะนํามาเป็นคู่ครองทําไมจะไม่ได้แต่เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความเสียหายซึ่งจะต้องตกอยู่กับท่านผู้ใหญ่แล้วข้าพเจ้าก็ทําไม่ลงหรือถ้าข้าพเจ้าจะไม่ทําอะไรรุนแรงเองข้าพเจ้าจะบอกให้อรารยาหนีไปอยู่กับข้าพเจ้าณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งเสียก็พอจะทําได้เพราะเธอก็เต็มใจอยู่แล้วตามที่เธอบอกตั้งแต่ต้นแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามิใช่ผู้บูชาความรักเหนือเหตุผลข้าพเจ้าประจักษ์ดีว่าการแต่งงานที่ขึ้นต้นด้วยความไม่มีเหตุผลก็จะลงท้ายด้วยอาการที่ไร้เหตุผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้ข้าพเจ้าและอริยาจะได้รับความระทมขมขื่นอันเนื่องมาจากพิดรักอย่างสาหัสเพียงใดก็ตามแต่เราทั้งสองก็มิได้ทําอะไรผิดทำนองครองทำเลยเปรมัน คู่มั่นของอาริยาแสดงอาการหึงหวงปรากฏออกนอกหน้าเมื่อพบข้าพเจ้าในบางครั้งที่บ้านอาริยาพระดรพิษแห่งการพลาดรักมันมีมากมายและรุนแรงปานใดนั้นผู้ไม่เคยประสบจะทราบไม่ได้เลยแม้เรื่องของข้าพเจ้าจะยังความภูมิใจให้แก่ข้าพเจ้าบางที่อาริยายังรักข้าพเจ้าอยู่และเราสามารถรักษาความดีไว้ได้ถึงกระนั้น มันก็อดเสีดายไม่ได้ยิ่งข้าพเจ้าเห็นอารยาร้องไห้เทไรใจของข้าพเจ้ามิค่อยดีเลยถ้าข้าพเจ้าขืนพบกับอารยาบ่อยๆข้าพเจ้าเกรงว่าจะรักษาความดีของตัวไว้ไม่ได้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะไม่ไปหาอารยาอีกเลยแม้เธอจะเศร้าใจและคิดถึงข้าพเจ้าบ้างก็คงหายไปเองเมื่อการเวลาร่วงเลยไปพอสมควร ราดอนอันเปียวิยปโยคทุกข์คือความทุกข์อันเกิดจากความต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักมีพิษสงมากเพียงไรนั้นท่านก็ทราบอยู่แล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าโลกนี้ช่างอ้าง ว, างวาง้างว่างเปล่าเสินีกระไรแม้จะมีคนอื่นอยู่พรั่งพร้อมคอยสนองความต้องการทุกอย่างแต่ดวงใจของเราถูกรีบออกไปหมดทาให้รู้สึกว่าเว่ ไม่เป็นอันทําสิ่งใดให้เต็มกําลังได้จะพูดจะคุยกับใครก็เพียงฆ่าเวลาและมีความรู้สึกเพียงครึ่งๆกลางๆเท่านั้นแต่เมื่อมีบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ด้วยอะไรๆดูชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาเลือเกินสหายเอ๋ยข้าพเจ้าเพิ่งประจักษ์ความจริงในคำที่ว่ายิ่งไกลยิ่งคิดถึงโดยตนเองในคราวนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว้าเวใจลอย และว่าหวามมิวหวันเหมือนตกจากที่สูงและไม่มีอะไรเหลือไว้สำหรับเกาะกลุ่มเลยเหมือนอยู่ถ้ำกลางมหาสมุทรอันมองเห็นแต่น้ำและขอบฟ้าครั้งใดที่ได้ยินเสียงคนเดินและใบไม้ตกในครั้งนั้นใจก็ประวัติถึงคนอันเป็นที่รักเมื่อได้อาหารอันมีรสอร่อยหรือได้ชมสถานที่อันสวยงามบรรยากาศน่ารื่นรม ก็อดคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักมิได้ท่านพูดเจริญบดพิสูจน์ที่ให้ทราบว่าท่านรักผู้ใดมากที่สุดมิใช่เรื่องยากเลยคือในเวลาท่านมีความสุขชื่นบานท่านอยากเฉลี่ยความสุขอันนั้นให้แก่ผู้ใดคือคิดถึงผู้ใดก่อนที่สุดหรือเมื่อท่านได้รับความทุกข์ท่านอยากให้ผู้ใดอยู่ใกล้พอเป็นกําลังใจบุคคลผู้นั้นแหละ ชื่อว่าเป็นที่รักมากที่สุดของท่านโรครักนั้นเรียกได้ว่าเป็นโรคสากลสําหรับมนุษย์เพราะมนุษย์จะไม่เคยประสบโรคนี้นั้นไม่มีเลยไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนภาวะใดอย่างน้อยจะต้องเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าไม่รีบตายเสีก่อนหรือสําเร็จมรรคผลเสียตั้งแต่อายุอย่างยาวสหายเ อ, อ๋ยถ้าใจของข้าพเจ้าในสมัยนั้น เหมือนเวลานี้ข้าพเจ้าคงไม่เศร้าโศกอะไรมากนักเวลานั้นข้าพเจ้ามิได้เคยได้ศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยด้วยประการฉนี้ข้าพเจ้าจึงกลุ่มใจแทบจะเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเอาทีเดียวแต่เนื่องจากสุขภาพของข้าพเจ้าดีมากจึงไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือ่อเพราะโรครัก จะเป็นโชคดีหรืออย่างไรข้าพเจ้าไม่ทราบได้จึงวันหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้านอนพักกลางวันอยู่ใต้ร่มไม้บริเวณบ้านแววได้ยินเสียงคนอ่านหนังสือเป็นเสียงเด็กผู้หญิงข้าพเจ้าลองตั้งใจฟังให้แน่อ๋อเสียงของเด็กผู้หญิงคนใช้ในบ้านซึ่งอ่านหนังสือให้มารดาของข้าพเจ้าฟังเสมอในวันพักผ่อนวันนี้ก็คงเป็นเช่นวันก่อน ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าไม่เคยสนใจเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่านหนังสือเลยแต่ประหลาดใจทําไมในวันนี้ข้าพเจ้าจึงสนใจอยากฟังเองโดยไม่ได้บังคับใจตนเองหรืออะไรเลยท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยศึกษามีความรู้เกี่ยวกับร่างกายอยู่บ้างร่างกายของเรานี้เมื่อต้องการสิ่งใดก็แสดงออกได้เสมอหรือถ้าร่างกายขาดสิ่งใด ร่างกายก็ต้องการสิ่งนั้นเข้ามาโดยร่างกายต้องการเองเสร็จไม่ใช่เป็นการต้องการของจิตหรือเกิดจากการปรุงของจิตเลยหมอผู้ฉลาดเคยนำเด็กพิการหลายๆคนซึ่งล้วนแต่เป็นโรคคนละชนิดมารวมกันเด็กเล็กขนาดพอคลานได้แล้วนำยาสำหรับแก้โรคนั้นๆมาวางกองรวมไว้ให้เด็กคลานไปหยิบยาตามใจชอบปรากฏว่า เด็กทุกคนคว้ายาที่สามารถแก้โรคของตนได้ถูกหมดตัวอย่างอันนี้แสดงถึงความจริงที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดีในทางด้านจิตใจก็คงเป็นเช่นเดียวกันเวลานั้นข้าพเจ้ากำลังว้าเหวสับสนอาหารใจของข้าพเจ้าแทบจะไม่เหลืออยู่เลยเมื่อได้ยินเสียงแม้ที่ไม่สนใจก็อยากจะสนใจและมันเป็นไปเองด้วยท่านผู้เจริญ ข้อความข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินจากเสียงนั้นเป็นข้อความที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องลุกนั่งและตั้งใจฟังเป็นอย่างดีข้อความนั้นมีดังนี้อันว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วสะอาดยิ่งนักแต่ก็ต้องวุ่นวายสับสนฝุ่งซ่านก็เพราะอารมณ์ต่างๆมารบกวนและเรายินยอมให้มันรบกวนธรรมชาติของจิตเหมือนน้าที่ใสสะอาด ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ต้องเป็นสีต่างๆไปก็เพราะส่วนที่มาผสมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มารบกวนความสงบสุขของจิตความรักความโลภความโกรธและความหลงเป็นกิเลสร้ายที่คอยรังควานให้บุคคลต้องวุ่นวายไม่หยุดหย่อนบุคคลอันความรักครอบงำแล้วแม้จะครึ้มใจเพลิดเพลินในเบื้องต้นแต่ก็ต้องลงท้ายด้วยความขมขืน มีภาระหนักตามามิขาสายเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและจำทนเหมือนบุคคลครอบมงกุฎไว้บนสีสันที่แรกๆก็รู้สึกคลึ้มใจและเป็นสิ่งสะดุดตาคนทั้งหลายต่างก็ปองหมายปรารถนาเมื่อเวลาผ่านไปเพียงเล็กน้อยเขาก็จะรู้สึกปวดสีรัะและอยากปลดลงมาวางแต่วางไม่ได้เสียแล้วเพราะมีลวดเหล็กขันไวย้ยางหนานแน่น เขาก็จำต้องทนหนักทนเหนื่อยไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตความรักก็ฉันนั้นอันหนึ่งอุปมาเหมือนสวนดอกไม้นานาพัานธ์อันบานสะพรั่งชูช่อสวัยยั่วยวนใจบรุษสตรีให้เข้าชมเมื่อเขาได้เข้าชมสมปราถนาก็เพลิดเพลินอยู่ในสวนนั้นชั่วระยะหนึ่งเพียงไม่ถึงครึ่งวันก็เบือ่อและอยากออกมาเสียโดยเร็วเพื่อพักผ่อน แต่ประตูสวนปิดเสียแล้วเขาก็จาทนอยู่ในสวนด้วยความหนัก อ, อกหนักใจและคอยบอกผู้ที่จะเข้าไปว่าอย่าเข้ามาเลยไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลแต่คนซึ่งยังไม่ได้เข้าชมก็หายอมฟังไม่ยังคงเข้าไปอย่างพรั่งพรูและในที่สุดก็ต้องตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกันนี่แหละคือคาพังเผยที่ว่าคนในอยากออก คนนอกอยากเข้าผู้ที่ตกอยู่ในห้วงรักย่อมประสบปัญหาหนักใจหลายประการเหมือนผู้เดินในทางที่มีอันตรายธุระกันดานหน้าหวาดระแวงไัยมีไัยจากสัตว์ร้ายเป็นต้น อีกประการหนึ่งความรักนั้นอุปมาเหมือนดอกไม้ที่อยู่ใกล้เหวผู้ไม่พิจารณาขาดความประมัดระวังรีบควยคว้าย่อมตกเหวได้ง่ายๆถ้าเปรียบด้วยนวนิยายก็เป็นเรื่องที่พระเอกตายแล้วตั้งแต่ฉากแรกความไม่รักเป็นความปลอดโปรลงเบาใจเมื่อไม่มีรักปัญหาการผิดหวังในความรักก็ไม่ต้องพูดถึง พระบรมศาสดาคเคยตรัสไว้ว่ามีรักทั้งร้อยก็มีทุกข์ทั้งร้อยไม่มีรักเลยก็ไม่มีทุกข์เลยรักน้อยก็ทุกน้อยรักมากก็ทุกมากผู้ไม่ต้องการทุกข์เพราะเรื่องรักก็ยาริเล่นกับความรักข้าแต่ท่านผู้เป็นอริยวงข้อความเหล่านี้ซึมเข้าไปในดวงจิตของข้าพเจ้าเหมือนน้ำมันซึมลงสู่กองสารีฉันนั้น ส่วนความโกรธนั้นเสียงจากเด็กคนใช้ดังมาอีกข้าพเจ้าตั้งใจฟังอย่างเต็มที่เป็นเหมือนไฟที่คอยเผาลนจิตใจของบุคคลให้ร่าร้อนกระวนกระวายผู้อันความโกรธครอบงำแล้วย่อมไม่เห็นอัจไม่เห็นทำ ม, มืดมนเหมือนผู้เข้าถ้ำอันแคบและลึกโดยปรยาศจากลมไฟบุคคลผู้โกรธแล้วก็เหมือนดุ้นฟืนเผาผีในป่าช้า มีปลายสุดสองข้างถูกไฟไหม้และตรงกลางยังเปื้อนด้วยคูดจะจับปลายทั้งสองก็ร้อนจะจับตรงกลางก็เปื้อนคูดหมายนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ทั้งในบ้านทั้งในป่าช้าไม่ควรแม้เป็นเครื่องบูชาของพราหมณ์ผู้บูชาเพลิงบุคคลผู้โกรธก็ฉันนั้นคือไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นและไม่ควรแก่การบูชานับถือเคารพกราบไหว้ของผู้มีศีลทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละเราทั้งหลายพึงสำเนียกว่าจะไม่เป็นเช่นไม้เผาผีในป่าช้านั้นอันหนึ่งพระบรมศาสดายังทรงเตือนไว้อีกว่ า, ววาดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าโจรใจเหี้ยมพึงเลื่อยเธอทั้งหลายให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามทั้งสองข้างถ้าเธอยังมีจิตคิดประทุสร้ายในโจร น, นั้นอยู่เธอก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสอนของเรา เราตถาคตกล่าวติเตียนคนที่โกรธทีหลังว่าเลวกว่าคนโกรธก่อนส่วนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะกันยากหนักผู้ใดรู้ผิดร้ายของความโกรธแล้วมีสติระงับได้ชื่อว่าได้ประพฤติประโยชน์สองฝ่ายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น มาริสาข้าพเจ้าฟังอย่างตั้งใจเข้าใจและซึ้งใจในพระพุทธภาษิทธิและข้อความทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าตั้งปัญหาถามตนเองว่าข้าพเจ้าเป็นพระเอกที่ตายแล้วหรือยังข้าพเจ้าได้เข้าไปในสวนดอกไม้แล้วหรือไม่และข้าพเจ้ากําลังเดินทางธุระบรรดาลหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือข้าพเจ้าได้ตกเหวแล้วและข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่า ข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายถ้าไม่ได้เชือกที่มารดาและเด็กผู้หญิงคนใช้ช่วยกันย่อนลงไปโดยไม่เจตนาให้ข้าพเจ้าค่อยตายขึ้นมาจากเหวนั้นเชือกเส้นนั้นได้ผูกไว้กับต้นไม้ที่ใกล้เหวอย่างแน่นแล้วปลายก็อยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าก็พร้อมแล้วที่จะตายขึ้นจากก้นเหวนั้นมาริสาความสงสัยในดวงจิตของข้าพเจ้า ที่มีตลอดมาว่าเพราะเหตุใดมารดาของข้าพเจ้าจึงสนใจในพระธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งนักนั้นได้ถูกขจัดแล้วโดยสิ้นเชิงดยข้อความที่ข้าพเจ้าได้ฟังโดยบังเอิญ น, นั้นในเย็นวันนั้นเองหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยมารดาและบิดาได้นั่งสนทนากันอยู่ในสวนหลังบ้านมารดาของข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่า ลูกกันหกะวันนี้ดูลูกมีสีหน้าจ่มใสไม่เศร้ามนหมองเหมือนวันก่อนๆแม่เห็นใจลูกเหลือเกินลูกรักแต่จะทําอย่างไรได้ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่วางใจได้เสมอไปตราบใดที่เรายังมีรักโลภโกรธหลงก็ยังต้องทุกข์บ้างสุขบ้างกันไปอย่างนี้แหละลูกพยายามทําใจดีๆเถิ ด, ดในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ ความทุกข์ก็ต้องไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นสิบิดาของข้าพเจ้าเสริมวันนี้ดูลูกกัญหกะมีท่าทางแจ่มใสขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกหรือดูสิผิดสังเกตไปข้าแต่ท่านบิดาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกดอกแต่มีการเปลี่ยนแปลงภายในเองโดยที่ลูกไม่เคยนึกว่าจะเป็นได้อย่างนั้น ลูกไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรแต่จะขออุปมาให้ท่านทั้งสองทราบว่าตัวลูกนี้เหมือนคนไข้หนักและถูกยาอันสบายแก่โรครู้สึกว่าโรคนั้นจะบรรเทาลงแล้วข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ฟังคําสอนเรื่องนั้นโดยบังเอิญแก่ท่านผู้บังเกิดกล้าวทั้งสองรู้สึกว่าท่านมีความยินดีมากโดยเฉพาะมารดาท่านเอามือลูบศีรษะของข้าพเจ้าพลางกล่าวว่า ลูกรักพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นยาขนานเอกสำหรับรักษาโรคทางจิตแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเพราะขาดการวิจารณ์และมัวหลงคว้ายาผิดยาถูกพระธรรมแม้เป็นนิยานิกะสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ออกจากเครื่องร้อยรัดจิตใจแต่เมื่อคนไม่รู้จักคุณค่าและไม่นำมาปฏิบัติก็ไร้ผล เหมือนอยาดีมีอยู่แล้วแต่คนไม่ยอมกินยาจะให้หายจากโรคได้อย่างไรต่อจากนั้นทั้งท่านบิดาและมารดาต่างแสดงความชื่นชมโสมนัสในตัวข้าพเจ้าในที่สุดข้าพเจ้าเรียนถามท่านว่าข้าแต่ท่านมารดาลูกสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพอเป็นแนวทางแห่งชีวิต ถ้ามารดาจะอนุเคราะห์ช่วยสั่งสอนให้ลูกมีความรู้และเข้าใจพระธรรมได้ลูกก็ยินดีปฏิบัติตามท่านทั้งสองหันหน้าไปสบตาให้แก่กันแล้วอมยิม้มข้าพเจ้าเองก็รู้สึกกระดากกระดากอยู่มิใช่น้อยที่คนหนุ่มๆอย่างข้าพเจ้าจะหันมาสนใจธรรมะธรรมโมในที่สุดท่านบิดาก็เอ่ยขึ้นว่าลูกครับ ดีแล้วที่เจ้าสนใจในเรื่องอันเป็นสาระแก่นสารแห่งชีวิตพ่อและแม่พรอยปลื้มใจในความคิดของลูกด้วยลูกรักลูกยังมิได้บวชให้พ่อและแม่เลยมิใช่หรือดูเหมือนแม่ของเจ้าได้ขอร้องเจ้าตั้งหลายครั้งแล้วแต่เจ้าก็ขอผัดตลอดมามาริสาข้าพเจ้าสะดุ้งเมื่อได้ยินคำของท่านพิดาว่าลูกยังมิได้บวชให้พ่อและแม่เลยมิใช่หรือ ถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะต้องปฏิเสธหรือมิฉะนั้นก็เดินเลี่ยงไปเสียแต่คราวนี้ข้าพเจ้าหาได้ทําอย่างนั้นไม่ข้าพเจ้าเพียงแต่นั่งก้มหน้าและพูดลอยๆว่าท่านบิดาเห็นว่าลูกควรจะบวชเพื่อศึกษาพระธรรมอย่างนั้นหรือท่านทั้งสองตอบเกือบจะพร้อมกันว่าอย่างนั้นสิลูกท่านพูดเจริญ ขปเจ้าไม่ต้องการทราบเหตุผลอะไรต่อไปอีกเพราะขพะเจ้าคิดว่าถ้าจะถามท่านทั้งสองก็มีเหตุผลพร้อมอยู่แล้วจึงไม่ถามอะไรอีกและตอบตกลงท่านทั้งสองไปเมื่อใช้เวลาตรึกตรองเพียงครู่เดียวเท่านั้นมารดาของขพเจ้าดีใจอย่างเหลือเกินเพราะเป็นความปรารถนาของท่านมานานแล้วที่จะได้เห็นลูกครองผ้ากาสาวัต ท่านพูดจาชมเชยเอาอกเอาใจข้าพเจ้าอีกพักหนึ่งแล้วเราทั้งหมดก็กลับขึ้นเรือนพักผ่อนท่านพูดเจริญการอุปสมบทของข้าพเจ้าก็ถูกกำหนดขึ้นทันทียิ่งใกล้วันอุปสมบทข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกวันวิตกไปนานาประการ ข้าพเจ้าได้ศึกษาชีวิตในสมณภาวะได้ล่วงหน้าพอสมควรข้าพเจ้าจะต้องอดอาหารเย็นและรับประทานเท่าที่มีเท่าที่ได้จากทายกทายิกาผู้ศรัทธาชีวิตสมณะจะฟุ่มเฟือยเหลือเฟืออย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ข้าพเจ้าจะต้องงดเว้นหลายอย่างที่เคยกระทำประพฤติมาอีกประการหนึ่งแม้ข้าพเจ้าจะห่างอริยาบ้างแล้วแต่ความระลึกถึงเธอข้าพเจ้า ยังหาตัดได้ขาดไม่ข้าพเจ้าจะต้องบวชทั้งๆท้งที่ยังอะไรอยู่อย่างนี้หรือมีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าเกือบจะบอกขอเลื่อนวันอุปสมบทแกมารดาบิดาแต่เมื่อระลึกถึงกริยาท่าทางที่ท่านทั้งสองสแสดงความยินดีเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าจะบวชในวันนั้นแล้วทําให้ข้าพเจ้าไม่กล้าเรียนท่านมาปรองเสียว่าอย่างไรอย่างไรก็เพื่อถนอมน้ําใจท่าน และรักษาความปลื้มพิติของท่านไว้คงจะเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งด้วยในการทำให้ผู้บังเกิดกล้าวมีความสุขจนถึงวันนั้นอราิยาและเปมันยังไม่ได้เข้าสู่พิธีอาวาหะพิวาหะมงคลเลยทั้งนี้เพราะการขอเลื่อนของฝ่ายเจ้าสาวด้วยข้ออ้างว่าสุขภาพยังไม่ค่อยดีขอยเจ็บโน่นเจ็บนี่อยู่เสมอ และยังขัดข้องด้วยเหตุอื่นๆอยู่หลายประการก่อนจะถึงวันอุปสมบทหนึ่งวันเขาเจ้าไปลามารดาบิดาของอารยาและพร้อมทั้งเธอด้วยอารยาสู้ผอมลงมากจริงๆเธอรับรองข้าพเจ้าด้วยอัธยาศัยอันดียิ่งเธอยังเป็นอารยาคนเดิมทุกประการอาการอันเศร้าซึมของเธอทาให้ข้าพเจ้าต้องถอนหายใจหลายครั้ง แต่เราก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อกันยิ่ยงคนรักได้อีกเพราะอารยามีคู่มั่นแล้วทั้งเธอและขป้าเจ้าต่างก็รู้หน้าที่ของตนดีเมื่อขป้าเจ้าลากลับท่านผู้ใหญ่ได้กรุณาให้อรยามาส่งถึงประตูบ้านอารยาเป็นกุลสตรีที่ได้รับการอบรมดีแม้ความรู้สึกภายในจะเป็นอย่างไรเธอก็หาแสดงจนหน้าตหนิไม่แต่เธอก็อดเผอออกมาไม่ได้ว่า กันหกักกะฉันจะคอยเธอด้วยดวงใจสหายเอย๋ยคําว่าฉันจะคอยเธอด้วยดวงใจนั้นก้องอยู่ในโซนประสาทของข้าพเจ้าตลอดราตรีนั้นความรู้สึกภายในของข้าพเจ้ากําลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงความคิดสับสนกลับไปกลับมาแม้จะพยายามข่มตาให้หลับเพื่อเอาแรงไว้ในวันรุ่งขึ้นสักเท่าใดก็หาสําเร็จไม่ ข้าพเจ้าคิดทบทวนถึงผลได้ผลเสียทุกประการในที่สุดตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวเมื่อจวนจะรุ่งสางนั่นเองว่าอย่างไรเสียก็บทแน่ๆแล้วข้าแต่ท่านผู้สืบ อ, อริยวงแมข้าพเจ้าจะเป็นคนมีฐานะทางตระกูลพอสมควรแต่การอุปสมบทของข้าพเจ้าก็จัดทาเพียงง่ายๆเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับอัถบริขารเรียบร้อยแล้ว ขปเจ้าและมารดาบิดาก็เข้าสู่อารามและขออุปสมบทต่อสงฆ์ก็เป็นอันเสร็จการเพียงเท่านั้นพระดาพระธรรมชาติช่วยเสริมว่าขพเจ้าเห็นใจท่านเหลือเ ก, กินถ้าขพเจ้าเป็นอย่างท่านบ้าง ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าข้าพเจ้าควรจะทําอย่างไรข้าพเจ้าขอชมเชยความเด็ดเดียวและความดีแห่งจิตใจของท่านด้วยความจริงใจพราดาถ้าเรื่องมันจบลงเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าไม่เป็นไรแต่นี่เรื่องของข้าพเจ้าได้บายโฉมหน้าไปใหม่เสียอีกแล้วท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่า บางทีท่านทั้งสองอาจจะให้คําแนะนําแก่ข้าพเจ้าได้บ้างเล่าต่อไปเถิดท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ากําลังสนใจฟังเรื่องของท่านถ้าไม่เหลือวิสัยเราทั้งสองก็อาจให้คําแนะนําอะไรแก่ท่านได้บ้างพระธรรมชาติร้อง เวลานั้นเย็นมากแล้วพระอาทิตย์กำลังจะลับทิวไม้เหนือขุนเขาทางด้านตะวันตกก้อนเมฆอันระบายด้วยแสงสีม่วงสลับฟ้าลอยละลิ้วตามกระแสลมบางก้อนเล็กบางก้อนใหญ่เป็นรูปต่างๆถูกลมพัดปลิวกระจายจากกลุ่มหนึ่งไปรวมกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วแตกกระจัดกระจายต่อไปเป็นอยู่อย่างนั้นนานแสนนานและจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไป จนกว่าเจ้าแห่งฟ้าในทิวากาลจะรับลงและความมืดก็เข้ามาปกคลุมจนไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์เช่นนั้นได้อันพอจะเปรียบได้กับสังขารธรรมทั้งหลายซึ่งมารวมกลุ่มกันเพราะเหตุปัจจัยและสลายไปเพราะหมดเหตุปัจจัยอันเป็นเครื่องปรุงให้เป็นรูปอย่างนั้นอย่างนี้อันหนึ่งพระบรมศาสดาน่าจะเหมือนพระอาทิตย์ผู้ให้แสงสว่างแก่โลก และเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นก็ทรงเปล่งรัศมีคือพระธรรมส่องเข้าไปในจิตใจของมลมนุษย์ให้เห็นปรากฏการแห่งธรรมชาติคืออนิจจ์ทุกขังและอนาตาัตตาตําความเป็นจริงเมื่อรัศมีแห่งพระองค์กล่าวคือพระธรรมหมดสิ้นจากดวงใจของมนุษย์แล้วโลกก็จะมืดมนด้วยอํานาจแห่งความมืดกล่าวคือโมหะอันแพร่อยู่ทั่วไป ท่านพูดเจริญข้าพเจ้าอุปสมบทณเดือนพระคุณะหเดือนแรกข้าพเจ้าพยายามสงบจิตใจศึกษาพระธรรมวินัยและพยายามปฏิบัติอย่างดีที่สุดเท่าที่สมณะจะพึงกระทำใจของข้าพเจ้าสงบผ่องแผ้วและยินดีในการศึกษาปฏิบัติธรรมแม้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกบวชทั้งเรื่องศึกและไม่ศึกข้าพเจ้าคิดว่า ถ้าอยู่ได้สงบเรียบร้อยกพเจ้าก็จะอยู่เรื่อยๆไปแต่ถ้ากพเจ้าอยู่ได้ไม่นานนักกพเจ้าก็จะศึกไปดำรงอาชีพอย่างครึหัดและทําบุญให้ทานไปตามสามารถเพราะแม้มารดาบิดาของกพเจ้าก็ต้องการเพียงให้กพเจ้าได้บวชสักชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้ากพเจ้าบวชอยู่ได้เรื่อยไปท่านก็ไม่ขัดข้องและอนุโมทนา